ไปหน้าห้าบสองนะจริงครั้งที่แล้วก็ว่าไปบ้างเลยนะถ้าหมวดเก้าทำที่มีอุปการะมากนะที่ที่รีสอร์ทก็ว่าไปไทท้าชั่วโมงเพราะว่าครั้งที่แล้วเอาโลกสูตรมากล่าวเพราะว่าอ่านสูตรที่พรงอุทานด้วยกรุณาเป็นตะ้นเะนะีอนะ่านแะล้วก็สบายใจ คือเห็นถึงความเสียสละของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายคือจริงๆถ้าถ้ากล่าวในแง่ประโยชน์ตนแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้อะไรเลยจากจากการทนอยู่สี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะไม่ไม่ได้อะไรเลยคือมันเป็นชีวิตที่เพื่อเราสรัตว์จริงๆเมื่อก่อนนี่นะักคุนส่วนนี้ไม่ค่อยออกมากนะแต่ตอนหลงนังไน้ชัดเห็นเห็นชัดขึ้นว่า ว่าสิ่งที่พระองค์ทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพื่อสัตว์จริงๆเนี่ยคําว่าสัตว์แต่ที่นั้นก็คือเพื่อพวกเรานั่นเองเนี่ยที่ที่ทำทุกอย่างแม้กระทั่งถามว่าในขณะที่พระองค์ทําบาปทํำอกุศลเนี่ยนะอันนั้นคือการที่พระองค์ยังอยู่ในวังวนแห่งสังสารวัฏเนี่ยอาการอยู่ในวังวนแห่งสังสารวัฏเนี่ยที่จะไม่เปื้อนบาปไม่มีเนี่ย มันเหมือ น, หนเหมือนกับว่าอยู่ในในสงครามที่มันเกิดการชิงดีชิงเด่นเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้นี่นะบางทีมันก็ต้องฆ่าคนอื่นบ้างแต่ถามว่าทำไมจะต้องทนอยู่ขนาดนั้นก็ก็ด้วยกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนี่นะมันถ้าเราเห็นคุณของพระองค์มากเท่าไหร่การศึกษาพระธรรมของเราก็จะเข้าใจชัดมากขึ้นเท่านั้นเพราะะไรเพราะว่าพระธรรมนี่เป็นของพระผู้มีพระภาค นั่นทั้งหมดเลยไนงะอย่างในถ้าจําธรรมธาญาสูตรได้เนี่ยจะชัดเลยว่าธรรมะทั้งหมดเป็นของพระองค์จริงๆตืออย่าว่าแต่ธรรมะเลยแม้แต่อ ม, มิตรทั้งหลายก็เป็นของพระองค์อย่างเราให้ทานนะั่นไของเราให้ทานนะ่ยการให้ทานเนื่องจากการฟังธรรมของเราเป็นตัดใยเราให้ทานทานอ น, นั้นก็ยังชื่อผลของทานอ น, นันต์นนะก็ยังเรียกว่าเป็นของพระองค์ผู้ที่ให้ทานแล้วก็ ผลแห่งบุญทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในภพต่อต่อไปอันสมบัติของพระองค์นะั้นมีทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเป็นทั้งอ ม, มิตรและธรรมะเนี่ยนะทีนี้เมื่อเราทราบซึิงในคุณของพระองค์มากเท่าไหร่ความเข้าใจในพระธรรมของเราก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเพราะพระองค์ในฐานะเป็นเจ้าของแห่งธรรมะถ้าพระองค์ไม่เปิดเผยพระธรรมเหล่านี้จะมีผู้ใดผู้หนึ่งมองเห็นไหมมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะอันนั้ เนั้นการที่พระธรรมในโลกที่ได้รับการเปิดเผยอันนี้อาศัยพระมหากรุณาของพระองค์ที่ที่ทนยากชอบคําคนไทยโบราณเนี่ยคนไทยโบราณจะชอบใช้ศักว่าองค์สมเด็จพระมหากรุณาหรือว่าพระองคอ์ผู้ทนอยู่ด้วยกรุณานะีกรุณากระตุ้นเตือนอย่างเช่น ปกติพระองค์ก็จะมีสิ่งที่พระองค์มีความสุขที่สุดคือการเข้าพระสมบัตินะพระอารามนาที่ปฏิปฏัจจัยของพระอรหรันต์มีมีนิพพานอย่างเดียวกับการมีโลกุตระธรรมเป็นอารามนาที่ปฏิคือหมายความว่าอารมณ์ที่จะพอทําให้ท่านตื่นเต้นบ้างว่า ง, งั้นเถอะสมณัสปีติ ก, ก็ก็อารมณ์ที่เป็นโลกุตระอย่างเดียวทีนี้ <c oughs> การที่ไปเกี่ยวข้องคลุกคลีหรือไปแสดงทำให้ให้กลุ่มภารชนทั้งหลายฟังเนี่ยนะ ซึ่งไปบางแห่งเขาก็ด่ากลับมาบ้างไนงะคือเพราะว่าเวลาสอนเขาเนี่ยนะอย่างพ่อแม่ที่มีใจกรุณาสอนลูกเนี่ยลูกรับฟังด้วยดีกันทุกคนหรือเปล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมที่ก็เถียงมาบ้างอะไรไปบ้างมาแต่ดีว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่สงสัยกินลูกท้อไปตั้งวันละครึ่งแข่งลนะมั้งนั่นไงคื อ, อมันน่าเบื่อหน่ายมากแบบนั้นแต่ของพระองค์นี้ด้วยด้วยพระมหากรุณากระตุนต้นเตือน รู้ว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้รับโอวาทคำสอนอนุสาสนีจากพระองค์เนี่ยตัวเขาเองจะเป็นยังไงต่อไปบ้างในอนาคตอันกรุณาที่กระตุ้นเตือนเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยโซ่อดกั้นอดทนเนี่ยแสดงธรรมนั่นซึ่งผลงานการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็คงเป็นที่ประจักษ์นล้วนะว่าพระไตยปิฎกนี่ไม่ใช่น้อยเลยดีว่าพิมพ์ไว้แบบไปเยินไปยานเนี่ยนะไปจุดๆถ้าถ้าทุกอย่างเนี่ย ทุกพยัญชนะทุกอักขระที่พระ อ, องค์ตรัสเนี่ยโอ้เรีย น, เ, นยเกิดมาสักสามชาติได้ไหมทะยุคนี้นีจึงจะเรียนจบได้ทุกพยัญชนะแต่ถ้ากล่าวถึงธรรมะที่พระ อ, องค์พิจารณาทั้งหมดถ้าเอามาเป็นบทพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยนะเรียนกันอีก2 0่สหชาติก็ไม่มีจบมีสิ้นพระธรรมที่พระ อ, องค์ตรัสรู้นี่เป็นธรรมะที่กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ แต่ทีนี้ในธรรมะเหล่านั้นก็มีจุดประสงค์ก็คือเพื่อความพ้นทุกข์แห่งเวนยสัตว์ทั้งหลายจุดมุ่งหมายอันเดียวเท่านั้นเองว่าทําฉนัยสัตว์ทั้งหลายเขาจะได้พ้นทุกข์นั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นถือเอาการทําที่สุดแห่งทุกข์เป็นประมาณคือเรียกว่าสํานวนว่าตั้งไว้ที่นิพพานก่อนเมื่อตั้งไว้ที่นิพพานแล้วก็จะพูดถึงวิธีการแสดงธรรมนั่น จะพูดยังไงให้มันอย่างน้อยที่สุดเข้าสู่แนวทางแห่งพระนิพพานก็ยังดีถ้าทำไม่ได้อะไรมากมายเลยนะสํานวนว่าเรื่อมใสก็ยังดีแค่ว่าไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแค่เรื่อมใสเอ้ธรรมะนี้ดีจริงๆแค่นี้ว่าที่พระ อ, องค์สอนเนี่ยดีจริงๆแค่นี้พอละหรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์จริงๆเนี่ยยอมรับท่านี้ก็พอละ ก็เรียกว่าเข้าสู่คลองเนี่ยนะนะเข้าสู่คลองอ่ะนะคลองที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ไดนะนะ้นี่ก็มาดูย้อนทัศนสุตระสูตรของเราต่อนะย้อนมาข้อ455เพิ่มอีกนิดหนะึ่งธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยนะนะนะธรรมะอันมีมูลมาแต่โยนิโสมนัสิกัง คำว่าโยนิโสมนศสิการนี้ก็มีหลายๆอัดด้วยกันแต่อัดที่น่าสนใจก็คือไอตัวมณสิกานะนะคือมโนทวาราวัชณะเนี่ยก็นับว่าเป็นเป็นปัจจัยสำคัญแห่งกุศลชาวนะจะเกิดหรืออกุศลชาวนะจะเกิดนะในมโนทวารทิฏฐิทั่วไปเนี่ยจิตจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลเ น, เนื่องด้วยอวัชณนะเนื่องด้วยการมณัสิการ ถ้ามนุิการไม่ดีอกุศลก็เกิดถ้ามนุิการดีกุศลก็เกิดดันั้นผู้ที่มนุิการเป็นเนี่ยนะหรือรู้จักมนุิการปราโมทก็จะเกิด ถ, ถ้าคิดเป็นะนะคิดอะไรแล้วปราโมทจึงจะเกิดคำว่าปราโมทในที่นี้เน้นปราโมทที่เป็นกุศลนะปราโมทที่เกิดร่วมกับกุศลลจิตหมายถึงปีติอ่อนๆไม่ใช่ปรารบวัตถุกรรมและปีติไม่ใช่ แต่นี้หมายถึงว่าปราลบในในคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก่อให้เกิดปราโมทเนี่ยนะเราก็มาตั้งคําถามว่าของเราเนี่ยคิดถึงอะไรแล้วปีติง่ายเนี่ยนะคุณบุญชูก็คงนึกถึงพระพุทธคุณใช่ไหมนึกถึงพระพุทธคุณแล้วปีติง่ายไปปล่อยโฮดอยสุเทพเลยคุณบุญชูปีติง่ายมากแสดงว่าเราปราบคุณของพระพระพุทธเจ้าก็ปีติเนี่ยนะ ถ้าอย่างคนอื่นเนี่ยคุณโชคเนี่ยโยนมนัิการอะไรปีติง่ายหน่อยมมออยังยังยั ง, ยงนึกอะไรที่ก่อให้เกิดตีติยังไม่ไม่เป็นที่พอใจนะบางท่านเนี่ยประบศี น, น ท, ที่ที่ตัวเองเฝ้าสังวรดูแลรักษาธนุถนอมมาเนี่ยที่ดูแลดีอะ่ะเขาก็จะมีปีติเพราะระลึกถึงศีลที่ก็รักษาดีบางคนก็มีปีติในเรื่องของการให้ทาน พูดถึงการให้ทานเมื่อไหร่เขาจะปีติ น, นะหมอมัลบไม่มาถ้าเขาปารถเรื่องบริจาคเลือดเมื่อไหรนะ่นั่นหน้าตาเขาผ่องใสเลยะเรื่องแม้ให้เลือดเป็นทานเนะี่ยให้เป็นร้อยครั้งมาแล้วอันคนอื่นๆก็เหมือนกันนะถ้าพูดถึงกุศลที่ตัวเองประทับใจนะพูดถึงปีติเลยปราโมทเกิดขึ้นเลยะถ้าอย่างผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากเขาปารถถึงพระพุทธเจ้าปราโมทปีติเกิดเลย หรือรบางคนเนี่ยที่เห็นว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงเนี่ยเป็นธรรมะที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงนะ เ, เขาก็มีศรัทธา ม, มากอันเวลามณสิการถึงพระธรรมเมื่อไรเขาก็ปีติบางคนเนี่ยที่ที่รู้จักพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมวิ น, ย น, ยนัยเนี่ยถ้าเป็นสมัยที่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติ ด, ดีด้วยแล้ว เ, เวลานึกเมื่อไหรท่านก็ปีติละ นะสมมติถเราอยู่กับภาษาริบุตรมานานนานเนี่ยนะคิดถึงภาษาริบุตรไหปีติเลยเนาะถ้าอยู่กับพระหมหากัารยนะเนี่ยนึกถึงพระหมหาการยนะก็ปีติแล้วถ้าอยู่กับพระราหุลเนี่ยนะผู้ที่ใครในการศึกษาแบบนั้นเรานึกถึงพระราหุลเนี่ยก็คงปีติเกิดหรือว่าในความปฏิบัติีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ทั้งหลาย ท, ที่ท่านปฏิบัติในการกําจัดกิเลสกําจัดบาปอกุศลธรรมเนี่ยนะด้วยความเหน็ดเหนื่อยอันเวลาเรา ปรารบมน ส, สิการปีติก็จะเกิดได้ง่ายท่านะนะนพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยนะหรือคนที่รักษาศีลดีก็ศีลานุสติมนุสสิการถึงศีลบ่อยๆก็จะทำให้เกิดปีติบางท่านก็อย่างว่าให้ทานให้ทานมามากแต่รบถึงทานเมื่อไหร่ก็มีปีติบางท่านก็ปีติเพราะนึกถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในตนเมื่อน้อมไปเปรียบกับเทวดานะนะ ไม่ว่าจะเป็นทาเอ่อเป็นจะศรัทธาศีลสุตะจาค่าปัญญาเนี่ยปราลบคุณธรรมเหล่านี้เมื่อไรน้อมไปเปรียบกับเทวดาก็มีปีติเนี่ยนะบางท่านกับบางท่านเนี่ยได้กรรมฐานที่ตัวเองชำนาญเนี่ยนะมนุิการในกรรมฐานนั้นๆก็ทำให้เกิดปีติได้นะเรียกว่าสงบเลยนะยิ้มได้เลยจิตผ่องใสขึ้นมาทันทีเวลาที่มนสิการอารมณ์นั้นๆ แต่ถ้าในปฏิสามพิทามมักเนี่ยท่านก็มานสิการที่จะทําให้เกิดปีติคือมานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงมานสิการโดยเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานีคือเมื่อมานสิการรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อมานสิการเมื่อไหร่ปีติปราโมชก็เกิดขึ้นปราโมชก็เกิดขึ้นนะ่นเอ เมื่อเมื่อคิดถึงคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะคือโดยที่มีสภาวะธรรมเป็นอารมณ์อยู่แล้วเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่ทําปริญญามามากหรือทําตีรณปริญญามามากเนี่ยอันวิธีที่ที่จะทําให้ท่านสบายใจที่สุดก็คือการมนัสสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอันนั้นแหละจะเป็นอาหารเพื่อเพื่อความปราโมทย์ของท่านเหล่านั้นเนี่ยนะสำหรับผู้ที่เจริญอนุปัสนามากเนี่ยนะ ทั้งในปฏิสัมพันธ์มัก็กล่าวถึงการมนุิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงทั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือมนุิการในความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจมนุิการในความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะและธรรมารมณ์หรือมนุิการความไม่เที่ยงของจกักรวิญญาณโสตวิญญาณขานาวิญญาณเชียวหากายะและมโนวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจารเนีย่ยนะธาต ขันอายตนาอินทร์ปฏิจจะเป็นต้นเมื่อท่านมนาสิการในสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่สิ่งที่ได้ก็คือปราโมทหรือปีตินี้ก็จะเกิดขึ้นนั่นการมานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือมานสิการโดยความเป็นทุกข์มานสิการโดยความเป็นอนัตตาถ้ามานสิการโดยแยบคายถูกต้องจริงๆแล้วไม่ใช่โทมานัทเลยเนี่ยนะสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยทั่วๆไปในโลกเนี่ยเวลาที่ใครคิดถึงโดยมากจะโทมานัท แต่ผู้ที่เจริญวิปัสนาอ บ, บรมปัญญาเนี่ยเมื่อมนสิการโดยความเป็นของไม่ที่ยังกลับโสมนัตขึ้นหรือปราโมทขึ้นเกิดปีติเกิดปัสสัทธิเนี่ยนะนผู้ที่มี ป, ปีติปัสสัทธิก็จะได้รับความสุขเป็นต้นผู้ที่ได้รับความสุขก็เป็นอาหารแห่งความเบือ่อเรียกว่าความสงบนะปัสสัทธิเมื่อมีปัสสัทธิจิตก็ตั้งมั่นได้รับ ปัสสัตสมาธิจิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นลักษณะนี้ก็น้อมไปเพื่อจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอาการรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยในในปฏิสัมพัธามักแบ่งไว้สองในในหนึ่งก็คือกล่าวถึงยะาภูตยานทัศนะไปเลยอีกในหนึ่งก็บอกว่าเมื่อจิตตั้งมัน่นย่อมรู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกขคือมรสการในอริยสัจไปเลยมรสการวันนี้ทุกนะ ทุกทั้งหลายมีเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้นี้สมุทัยเนี่ยนะสมุทัยไม่เกินกว่านี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรกว่านี้อีกแล้วนี้นิโรธนี้มรคนี่นะการมนสการว่านี้ทุกเนี่ยมันเป็นยังไงนะลองเอามาคิดดูนะเออนี้ทุก ท่านี้ทุกก็คือชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกมรณะทุกขโสกะปริเทวาทุกโทมนัตและอุปายาทุกวิปโยคทุกสัมปโยคทุกเนี่ยนะปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกเนี่ยพันธะว่าไปแล้วทุกทั้งมวลเหล่านั้นก็คือขันธ์ห้านั้นขันธ์ห้าเราเนี่ยคือตัวตัวทุกหลักเมื่อมนาสิกานว่านี้ทุกในสิ่งที่เป็นทุกอันนั้นถามว่าทำไมจึงเป็นทุกเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเนี่ย สิ่งนั้นไม่มีความมั่นคงไม่มีความจีรังยั่งยืนอันเมื่อมรัิการวันนี้ทุกเพราะสภาพทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงและในสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกโดยธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกด้วยเห็นไหมสำหรับผู้ที่เข้าไปคล่องแล้วเป็นยังไงตัวมันเองก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงด้วยนะเป็นทุกด้วยถ้าผู้ที่คล่องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอ่ะก็จะนํามาซึ่งความทุกขอย่างอื่นอีก ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะอันผู้ที่รอบรู้ตามความเป็นจริงในสภาพที่เป็นต้นเหตุแห่ ง, หงความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะความทุกข์ทางใจเป็นต้นก็เนื่องจากการไปไปเพลิดเพลินในอุปาทานขันนั้นเมื่อรอบรู้ในอุปาทานขันอย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่นํามาเส้นความความทุกข์อย่างอื่นอีกอันการมณสิการว่านี้ทุกถ้ามณสิการอย่างถูกท่องแท้จริงนะนะต้องละตันหา พระจิงก็เขาบอกว่านี้ทุกเขาบอกว่าเท่ากับละตันหาในสิ่งนั้นนะก็เท่ากับบอกว่าตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นเถอะนะถ้าบอกว่านี้ทุกนะเพราะจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันปกติเหมือนอย่างว่าถ้าถ้าคนรู้จริงว่าไอ้ก้อนเหล็กก้อนนั้นอะ่ะมันร้อนมันเป็นของร้อนเนี่ยนะถ้าบอกว่าร้อนเนี่ยปกติมันต้องปล่อยทันทีเลยใช่ไหม <M> ถ้ารู้ว่าเ <M> ป็น <M> ของร้อนเนี่ยนะเขาบอกว่าพูดว่าให้ปล่อยกับบอกว่าร้อนเนี่ยจะต้องเป็น ประโยคเดียวเนี่ยนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าจับก้อนอ่ะ น, นี้นะมันร้อนเป็นเปลวไฟอ่ะถ้าผู้มีปัญญาจริงจอ่ะนะเขบอกอันนั้นมันร้อนนะกับเท่ากับบอกว่าปล่อยเถอะกับบอกว่าจงปล่อยเถอะก็เท่ากับบอกว่าอันนั้นมันร้อนนั่นแหละเป็นเป็นอัตตะเดียวกันงั้นผู้ที่รอบรู้ในกองทุกข์อย่างแท้จริงก็คือผู้นั้นเท่ากับรู้จักสมุทัยด้วยผู้ที่รู้จักทุกและสมุทยัยอ่ะจริงจคือนั่นอนะ่ะเรียกว่าผู้รู้จักนิโรธ เรียกว่ารู้จากความปลดปล่อยจากกองทุกเหล่านั้นนั้นังนั้นการมนาสการแบบนี้บ่อยๆ บ, บ่อยๆเนี่ยนะด้วยอํานาจอาวชนะเนี่ยที่ถึงธรรมะเหล่านี้มากๆจะทําให้เกิดปราโมทเนี่ยนะดงั้นปราโมทก็จะก็ทําให้เกิดปีติปีติก็ทําให้เกิดความสงบความสงบก็ทําให้เกิดความสุขสุขก็ตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นตามเป็นจริงรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่าก็คือรู้เห็น อริยสัจนั่นเองเนี่ยนะรู้เห็นทุกทุกขสัมมุทัยทุกคานิโรธทุกขามิโรธาขามินีปฏิปทานั้นในการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะ เ, เรียกว่าวิราคาก็ได้เพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นสภาพที่แทงตลอดอริยสัจอย่างอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยนะอันนี้มีอุปการะมากนะอยู่ที่การน้อมไปคิดนะ น, น้อมไปเพื่อที่จะคิดอะไรถ้าคิดในใน ธรรมะตามพระธรรมคํำสอนเนี่ยก็จะทําให้เกิดปีติและปรามโมทเพราะในั้นคําว่าโยนิโสมนัสิการเนี่ยแล้วแต่จะน้อมไปพิจารณาอะไรนะแต่โดยทั่วๆไปนิยมนิยมกล่าวมนาสิการในอริยสัจเป็นหลักนะมนสิการทุกขาริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจถ้ามนาสิการทุกขาริยสัจมนาสิกานยังไงก็มนาสิการว่า อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสุภาพเป็นต้นนะการมนุิการแบบนี้บ่อยๆจะนํามาซึ่งความปิติปราโมทเนี่ยนะแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้วัตถุประสงค์ใช่ไหมว่ามนุิการแบบนี้บ่อยๆอจะได้รับผลยังไงถ้ามนุิการวันนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกบ่อยๆเนี่ยนะคงมีจุดมุ่งหมายชัดเจนนะใช่ไหมคุณเวลาวัน อ่อจะได้ไม่ติดกับสิ่งไม่จีรั ง, ย, งยั่งยืนถ้าอะไรมันจีรังบ้างอะ ไ, ไม่มีเลยเหรออ้าวแล้วคราวนี้ถ้าเราไม่ติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเราจะไปติดอะไรแทนอะมันน่าจะต้องมีอันใดอันหนึ่งมาเกาะบ้างอะเนัะนะจะปล่อยว่างโล่งๆได้ยังไงเหงาแย่เลยอะโอ้โหเกิดดับเลยนะลองรู้ได้เฉพาะตน ทางการมนุิการอริยสัจเนี่ยนะทำหมั่นมนุิการบ่อยหมั่นมนุษการเนืองเนืองจริงๆแล้วอ่ะมีคุณมากนะแต่อริยสัจเนี่ยนะยังไงก็ต้องหมั่นมนุิการในทุกขาริยสัจในสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเพราะมันเป็นกับมันเป็นยังไงมันจึงไม่เที่ยงมันเป็นยังไงมันจึงเป็นทุกนะก็ ยังไงยังไงก็ไอหยับหยาบให้มันเห็นก่อนนะคะชั้นละเอียดละเอียดไม่อยาบแล้วะให้มันเห็นแบบหยาบก่อนเถอะเหมือนกับผ่าอะไรสักอย่างนะถ้าผ่าแบบหยับหยาบก่อนแล้วผ่าละเอียดละเอียดค่อยๆซอยไปไม่ค่อยยากสําคัญได้ว่าหยาบยังไม่ทันรู้ว่าเข้าโครงหน้าตามันเป็นยังไงเลยนะสับละเอียดหมดเลยนะไม่รู้สับให้มันเป็นอะไรทั้นการมนสิการอานิจจังทุกขังอนัตต ก, ก็ในญาตเดียวกันทันการมนสิการอนิจจังเนี่ยเริ่มมนุษการตั้งแต่ไหน จึงจะเรียกว่ามานุิการในความไม่เที่ยงเนี่ยนะเขาบอกว่ามีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็มนุิการโอสังขารทั้งหลายก็มีแค่เกิดกับตายนะมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดทีนี้เมื่อเกิดเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะตายเป็นที่สุดเนี่ยใครไปบอกได้ไหมไอ้ขอเถอะไอ้ที่เกิดแล้วก็จงขอให้ตั้งอยู่เท่านั้นแหละ ไอที่ตั้งอยู่ขอได้โปรดเถอะอย่าแก่เลยไอ้ที่แก่ก็ได้โปรดอย่าตายเลยเนี่ยนะไม่ได้ไม่มีใครสามารถทําได้เพราะอะไรเพราะสิ่งนั้น่ะปฏิเสธต่อความเที่ยงเพราะไม่มีตัวไหนที่มันเป็นสภาพที่จีรังยั่งยืนพอที่จะบอกว่าอย่าเลยนะอย่าเนี่ยไม่มีและสิ่งที่ที่มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดก็ดํารงอยู่ด้วยอะไร ชาติชราพยาธิมรณะนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตุปายาตชีวิตที่ดํารงอยู่ในโลกที่สั้นๆ น, นี้เดียวขนาดเนี้นะที่เปรียบเทียบว่าอุปมาเหมือนกับไก่อยู่ในสุ่มซึ่งเช้ามาก็รอเวลาเขาเอาไปเชือดเนี่ยขนาดนั้นก็ตีกันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะไอ้ไม่เที่ยงด้วยจะถูกต้มด้วยในขนาดนั้นก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานทะเลาะกันตลอดชีวิตของสัตว์ในโลกเนี่ยทุกคนก็รู้นะหน่าโอ้อีกไม่กี่ปีเราก็จะตายกันนั้วนีย เราน่าจะมีเมตตาต่อกันนะหวังดีปรารถนาดีทุกคนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพราะอีกหน่อยเราก็ตายกันหมดแล้วไอ้คนยุคหลังๆมามันเกิดมาเท่าไหร่มันก็ตายไปเท่านั้นนะเรามาร่วมกันเมตตาสมักสมาสามัคคีกันเถอะมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่ได้เป็นนะแต่งแย่งกันก็เอาเรียกว่ายิ่งทะเลาะกันมากขึ้นยิ่งว่ารู้ว่าตัวเองใกล้จะตายเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดถือยิ่งหวงแหนมากกว่าเดิมอีกเพราันสัตว์ทั้งหลายในโลกมันเป็นอย่างนั้นพ่ออะไรพราะนั่นคืออโทษขง ปุปาทานขันห้าในในบรรดาโตโตทั้งหลายเนี่ยนะ42เนี่ยชอบอันสุดท้ายที่สุดเลยอะไรแจ้งกิศออันสุดท้ายอีกในหนึ่งคนละายกันคือสังกิเลสิกะธรรมโตน่นะอันที่40ันี่ยก็มีคำหนึ่งคือ สังกิเลสิกธรรมโตคือเราตั้งคําถามโจทย์ง่ายๆว่ามีอุปาทานขันอไหนบ้างที่สัตว์ไม่เข้าไปทําทุจริตนะนะสังกิเลสมีสามอย่างไหมทุจริตสังกิเลสอย่างหนึ่งมีอุปาทานขันไหนบ้างที่สัตว์ไม่เข้าไปทําทุจริตด้วยนะ ม, ม, มีอุปาทานขันไหนบ้างที่ไม่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาสังกิเล มีอุปาทานขันไหนบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิสังกิเลตเนี่ยนะก็ไม่เข้าตันฮาก็ทุจริตไม่ทุจริญก็ทิฏฐินั้นอุปาทานขันหา้าทุกอุปาทานขันเนี่ยมันเศร้ามองอย่างนี้แหละนะเศร้ามองด้วยตันหาบ้างเศร้ามองด้วยทิฏฐิบ้างเศร้ามองด้วยทุจริตบ้างเนี่ยนะนั่นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหมั่นมนาณสิการในทุกขาริยศาสตร์บ่อยๆนะนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ เพราะว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาในองค์มรรคเนี่ยมันเป็นปัญญาที่รู้อริยสัจใช่ไหมเมื่อรู้อริยสัจนั้นถ้าวันๆหนึ่งเราไม่มนสิการอริยสัจเลยเป็นไปได้ยังไงที่เราจะบรรลุอริยสัจเนี่ยนะสำนวนว่าแค่คิดถึงยังไม่คิดถึงอ่ะนะจะกล่าวไปใยญยถึงบรรลุมันก็ก็แทบไม่ใช่ฐานะเลยนะการมนัิการบ่อยๆในอริยสัจมากๆอันนั้นแหละเป็นหนทางเพื่อการ ส ร, รอริยสัจผู้ที่มานสิการในทุกขาริยสัจมากๆก็สามารถที่จะตัดฉันทราคะในในทุกขาริยสัจได้อย่างแท้จริงช่วงนี้เป็นเทศกาลไฟไม่ป่าเป็นเทศกาลเนี่ยเวลาเห็นไฟไม่ป่าทําให้นึกถึงพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่า ไฟเนี่ยนะถ้ามันไม่ลุกลามไปที่ไหนแล้วนะมันจะถอยกลับมาไหมอีกไหยอ่าไม่ย้อนกลับมาอีกใช่ไหมแบบสมมติว่าไหมเรียบไปเลยนะไหมใบไม้เนี่ยไหมแบบกวาดไปเลยนะเรียบแล้วมันจะย้อนกลับมาเผาไปอีกรอบหนึ่ง ไ, ไหมไหมไม่มีทนผู้ที่เปรียบเทียบอุปมาว่าปัญญานี่เหมือนกับไฟอ่นนะทุกขาริยสัตว์หรืออุปาทานนักขันเหมือนกับเชื้อเพลิงเนะี่ย ถ้าปัญญาไปเผาเอ่านะเผาคือเข้าไปรู้ความจริงเนี่ยนะในอุปาทานขันอย่างดีแล้วจะไม่มีฉันทราค่าในในอุปาทานขันอีกเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาในระดับสูงเนี่ยนะจะจะมีลักษณะคุณสมบัติเหมือนไฟนะวิปัสสนานี่เหมือนไฟเฉะนั้นภาษาธรรมะเลยใช้คําว่าฌานเนี่ยนะฌานแปลเป็นไทยๆเราว่าเผานั่นเองนะทํำยังไงที่ไปเผาในวัตถุนั้นนั้นให้มันมัน มันกลับไปไหมเอ่อมันไม่ต้องกลับไปเผาอีกพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านรู้จักอุปาทานขันเป็นอย่างดีเนี่ยท่านเผาในลักษณะนั้นเลยท่นมานสิกานยังไงมันก็ติดเชื้ออีกไม่ได้ถ้าถ้ามานสิการในทุกขาริยสัตว์ได้ถึงที่สุดจะลักษณะนั้นเนี่ยนะแปลว่าไฟที่ไหม้ป่าเนี่ยนะจะไม่ย้อนกลับไปไหม้อีกฉันใดผู้ที่มานสิการในทุกขเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็ ไม่ต้องไปเผาอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเผาครั้งเดียวก็เหลือแหละแล้วกันแต่ถ้าถ้ามีปัญญาเพียงพอเนี่ยนะแต่ทีนี้ของเราทํายังไงอ่ะมันไม่ติดสักทีเลยอ่ะก็มานัาิการบ่อยๆเนี่ยนะเผามันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ในที่สุดก็ต้องเรียกว่าไม่ติดอีกแล้วต่อไปเนี่ยนะว่าเผาหมดแล้วมาขึ้นธรรมะที่ควรเจริญเลยนะธรรมะเก้าที่ควรเจริญ อันนี้ก็คือวิสุทธินั่นเองวิสุทธิเจ็ดบวกปัญญาและวิมุตต์ก็เป็ น, น, นวิสุทธิเจ็ด น, นะนะทัชชายจําวิสุทธิเจ็ดได้แล้วก็สบายแล้แล้วก็บวกปัญญากับ ว, วิมุตต์ก็เป็น9ก้านะข้อข้อแก็ปัญญาข้อ9ก็วิมุตต์อันธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยนะหมายถึงองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ปริสุทธิประธานนิยังคาณิเนี่ยนะ บริสุดที์ตัวนั้นหมายถึงอะไรความบริสุทธิ์หมายถึงพระนิพพานนั่นแหละถ้าถ้าเอาเป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเลยนะทีนี้ไอ้ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอันนั้นก็ต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั่นเองข้อปฏิบัติที่เป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นเบื้องต้นจึงจะนํามาเสื่อความบริสุทธิ์ในขั้นสุดท้ายอย่างแท้จริง ความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นอันนั้นคืออะไรก็คือศีลจิตเป็นต้นนะ น, นะศีลวิสุธทธิจิตวิสุธทธิกังคาวิ ท, ทีวิสุธทธิกลางคาวิตรณวิสุธทธิเป็นต้นนั่นเองนะนะอันถ้าปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์นะนะจะนำมาซึ่งผลคือคือความบริสุทธิ์จากสังขระธรรมได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าข้อปฏิบัติเบื้องต้นไม่บริสุทธิ์ธรรมะที่เรียกว่าเอาของ สกรปรกไปล้างของสกรปรกด้วยการนี่สะอาดไหมไม่สะอาดอยู่แล้วเนี่ยนะการที่จะเอาข้อปฏิบัติที่เศร้าหมองมาเพื่อชําระอุปาทานขันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะในเบื้องต้นเนี่ยข้อปฏิบัติต้องบริสุทธิ์ข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เนี่ยนะที่ที่เป็นองค์ประกอบแห่งการปฏิบัติเนี่ยหรือองค์ประกอบแห่งการภาพเพียปรปยายามะข้อปฏิบัติอันนั้นก็คืออะไรข้อแรกก่ น, นะศีลที่หมดจดหรือ ศีลเจตุปาริสุทธิ์ศีลนั่นแหละเป็นความบริสุทธิ์ของศีลอย่างแท้จริงศีลอริสุทธิ์นะหมายถึงเจตุปาริสุทธิ์ศีลถ้าเราไม่มองในแง่ของศึกษาบทเนี่ยนะมองในแง่ชีวิตที่เป็นจริงเลยอะจตุปาริสุทธิ์ศีลคืออะไรคือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาอาชีพ